ในี้ฝ่ายเทพบุตรมานขึ้นช้างฆ่าศึกขึ้นช้างศึกมาเลยช้างที่ประดับด้วยรัตนชื่อว่าคิริเมฆละงามหน้าดูอย่างยิ่งเสมือนยอดหิมะคิรีขนาดร้อยห้ายดเนรมิตแขนพัน แ, นแขนจับอาวุธต่างๆด้วยอาการจับที่ยังไม่ได้จับคือคือแต่และอย่างเหมือนกันลอยมาเองติดตามตัวมาหมดเลยแม้บริษัทของมานก็มีกาลังถือดาบธนูซ้อนหอก ยกธนูสาบผานเหล็กแหลมหอกเลาวหีนะไม่ว่าจะเป็นค้อนกําไลมือฉมวกกงจักเครื่องสวมคอของมีคมนะของที่มีหน้าเหมือนกวางราชสีแรกกวางหมูเสือกระทิงงูแมวนกฮูกแล้วก็มีหน้าเหมือนควายฝานม้าช้างพลายเป็นต้นมีกายต่างๆหน้ากลัวหน้าประหลาดหน้าเกลียดมีกายเสมือนมนุษย์ยักษ์ปีศาจ ท่วมทั พ, พระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ประทับนั่งนะคนโโพพึกเดินห้อมล้อมยืนมองดูการสำแดงของมารจากนั้นเมื่อกองกำลังของมารเข้าไปยังโพ ท, ที่มันทสถานเทพเหล่านั้นมีเท้าสากกะเป็นต้นเทพแม้แต่องค์หนึ่งก็ไม่อาจจะยืนอยู่ได้เนี่ยนะฝ่ายกองเชียร์นี้หายหมดเลยคร น, นี้นะฝ่ายพวกมาอวยชัยให้พรพวกมาชื่นชมมนุโมทนาในกลัวเลยนะมารมานี่กลัวกันหมดนีไปหมดเลย เทพทั้งหลายก็พากันหนีไปต่อหน้านะ่ะกระบวนาหนีไปซึ่งซึ่งหน้าเลยนะโอ้ยทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะงั้นทิ้งพวกทิ้ง้องไว้ง่ายๆอย่างเงี้ยเทา้าส ก, ก่าก็ทําวิชุตระสั่งที่ปริสดางทาเอาไว้ข้างหลังอ่ะนะแอบโน้นไปอยู่ขอบจักรวาลโนนะ่นอ่ะท้าหมหาพรหมวางฉัดไว้ที่ปลายจักรวาลแล้วก็กลับไปพรห ม, มโลกก็ได้อย่างงั้นนะกลับบ้านเก่าดีกว่าอย่างเงี้นะกาลนาคราร์ก็ทิ้งนางนาคนักฟอนนี่นะตอนไปพาบริวารไปแปดหมื่ด้วยเธอตามตามังของเธอแล้วกัน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 ก็ไม่มีพระมหาบุรุษก็นั่งอยู่แต่ลำพังแม้ถ้าใจเรา่จะทำยังไงนะเทวดาก็ยังหนีไปหมดเลยนะตกใจไหมน้อท่านก็เหมือนไม่มีอะไรนะเหมือนมหาพรหมอยู่ในวิมานว่างเปล่านิมิตร้ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอันมากปรากฏทีเดียวคือหมายคามว่าลางร้ายทั้งหมดนี่เข้ามาหมดเลยเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่กำลังใจไม่ดีจริงๆน่นะ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 แต่ไม่อาจาให้พระโพธิสัตว์หนีไปด้วยฤทธิ์ของพญามาร9ก้าอย่างเลยทำยังไงก่อนอกระว่าให้ลมแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ให้ฝนให้ก้อนหินเครื่องประหารฐานไฟไฟนรกสายโคลนและความมืดด้วยใจที่ขึ้นโกรธบังคับหมูมานว่าพนายคือคือตัวเองเนี่ยทำทุกอย่างแล้วพระโพธิสัตว์ก็นั่งเหมือนเดิมเนี่ยนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกพนายยุดยุยยังงั้น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 ครั้งนั้นพระมหาบุรุษก็ตรัสคำเป็นต้นว่าดูก่อนมาท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อบรรลังนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อโพธิบรรลังนี้หรื อ, อนะแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระหัดขวาสู่แผ่นดินขณะนั้นนั่นเองลมและน้ําที่รองแผ่นดินซึ่งหนาหนึ่งล้านสอนสพันยอดก็ไหวก่อนต่อจากนั้นมหาปฏิพีซึ่งหนา240แสนสี่มื่นยอก็ไหวอีกหกครั้ง สายฟ้าแลบและอสเนบาตเนี่ยนะหลายพันเบื้องบนอากาศก็ผ่าตกลงมาคือตอนนั้นเนี่ยก็มีว่า เ, าเขาถกเถียงกันว่าพญามารเ้าต้องการบาลังมากพระโพธิสัตว์บอกว่าท่านสร้างบารมีมาเพื่อโพธิบาลังหรือบอกใช่มารบอกใช่และใครเป็นพยามท่านก็นี่ไงพวกบริวารใช่ใช่พญามารก็เชียร์กันเกลียวบอกว่าเนี่ยบาลังเนี่ยควรแก่พญามารพระโพธิสัตว์บอกไม่บาลังนี้ควแ ร, ร, กวรควแก่เรา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 นะช้างของพญามาเนี่ยกลัวมากเลยนะตกใจคุกเข่าลงเลยก็เรียกว่าซุดลงเลยมานที่นั่งอยู่บนคอคิริเมฆละก็ะตกลงมาแผ่นดินนะฮะแม้พรรคพวกของมานก็กระจัดกระจายไปในทิศน้อยทิศใหญ่เหมือนกำแกลบที่กระจายไปฉะนั้นก็คือคาถาพาหุง์ที่เรามาสวดกันว่าพระองค์ได้ชัยชนะต่อพญามาที่ขี่ช้างคิริเมฆละเนี่ยพาหุงส์สาังหสมาพีนิเมตเนี่ยนะก็คือเนรมิตรแขนมาเป็นพันนี่แหละ ขี่พญาช้างคิริเมฆล ะ, นนะพระองค์ทรงชนะพญ า, ามารเหล่านั้นด้วยธรรมวิธีมีทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยสัจจะทันติอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอาศัยอ้างบารมีมีทานเป็นต้นนั่นแหละก็เลยชนะพยามารไปด้วยธรรมวิธีคือกล่าวปรารบถึงบารมีครั้งนั้นพระมหาบุรุษเนี่ยนะ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 เจริญอนาปานาสติจนได้ฌานที่สีเมื่อจิตเบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะพระองค์ก็พิจารณาถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนระลึกชาติได้เป็นอันมากหนึ่งชาติสองชาติห้าชาติสิชาติร้อพันหมื่นแสนชาติานะตลอดจนถึงสังวัตตกับวิวัตตกับหลายหสังวัตตะกับวิวัตตกับระลึกถึงขันธ์ธาตุขันธ์ที่เคยอยู่ในการก่อนในชาตินั้นๆ น, น, นะ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 ปัจจัยชาติมีพบเป็นปัจจัยก็พิจารณาทั้งอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะก็พิจารณาถึงอรชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธทคขาไินีปฏิปทาชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธทคขามินีปฏิปทาก็พิจารณาจนถึงโสดาปฏิมักเกิดขึ้นก็หลังจากนั้นก็โสดาปฏิผลปัจเวกขณะยานก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิโลมเพื่อ แทงตลอดสาก่ทาคามีมัคเมื่อแทงตลอดสาก่าทาคิมัคสก่ท า, า, าคามีผลปัจเจกขณะยานเกิดขึ้นก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพร้อมทั้งวิปัสนาเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดอนาคามีมัคหลังจากนั้นก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะนะแล้วก็เห็นอริยสัจจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแทงตลอดพระพุทธคุณทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติมา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 เราสแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเรือนคือพบเรือนคือชาติเรือนคือการเวียนว่ายตายเกิดตัวช่างผู้จัดการตกแต่งก็คืออะไรก็คือตันหาเช่นว่าสร้างตาเนี่ยก็รูปประตันหาสร้างตาสัทธะตันหาสร้างหูคันทะตันหาสร้างจมูกระสะตันหาอะไรยไหมครังบันสร้างลิ้นเนี่ยนะสัมผัสอากาศเย็นสบายก็สร้างกายคิดไปเรื่อยก็สร้าง ใจเนี่ยนะก็พบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งแหละตัณหาขยันสร้างจริงๆนะสีก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมรสอร่อยสัมผัสก็ดีคิดเรื่องอะไรก็ถูกใจไปหมดเลยจะไปไหนวัตตะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวนะอยู่อีกนาเนี่ยนะตัณหาก็สร้างเอาสร้างเอาพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยสแสวงหาสแสวงหาตัณหาไม่ใช่สแสวงหาแบบทําความรู้จักนะเออเราจะชอบอะไรได้บ้างไม่ใช่แบบนั้น หมายคําว่าสแสวงหาด้วยมรรคญาณแสวงหาว่าต้องพบตันหาด้วยมยรรคญาณนะจึงจะสิ้นตันหาเพราะฉะนั้นสแสวงหาเพื่อให้ได้มรรคญาณเพื่อที่จะเห็นตันหาด้วยอริยมรรคธรรมสมุทเฉทประหารเนี่ยเมื่อหาไม่พบก็ต้องท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็คือสังสาระเนี่ยนะเวียนไหวตายเกิดขันแล้วขันเล่าธาตุแล้วธาตุเล่าอายตนะแล้วอายตนะเล่า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 ดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาบัตนี้เราพบท่านด้วยมรรคยานแล้วท่านจากสร้างเรือนให้แก่เราไม่ได้อีกต่อไปนะ น, นะเพราะจะไม่มีอารมณ์ใดจะเป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิอีกต่อไปมันโครงเรือนของท่านคือกรรมเนี่ยเราหัดกรรมหมดแล้วย่อเรือนคือวิชามไม่รู้ในฐานะแปดเราก็รู้เสียแล้วจิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานธรรมที่ดับสังขาร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 ก็คือว่าจุใครจะมีความคิดไวเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วเนี่ยนะขนาดนั้นเข้าสมาบัติได้มากมายอย่างที่กล่าวไว้ว่าสมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสเสวยวิมุตติสุขโดยบาลังเดียวตลอด7วันคืนของวันที่เจ็ดนนะคืนของวันที่7พระโพธิสัตว์ก็ 7, พระพุทธเจ้าก็นั่งโพธิบัลังคืนที่7นั้นเพราะพิจารณาปฏิจจสมบาทโดยอนุโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีก็แป่งพุทธอุทาน มัชิมยามแห่งราตรีพระองค์ก็เปล่งพระพุทธอุทานปัชชิมยามแห่งราตรีพระองค์ก็เปล่งอุทานเนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเทวดาบางังพวกก็เกิดความคิดขึ้นว่าวันนี้พระสิท ธ, ธะยังมีกิจที่ต้องทาเป็นแน่ไว่าต้องมีกิจ16กิจในการรู้เห็นอริยสรรัจกิจในการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ายังมีแน่พระพองค์จึงไม่ทรงละ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 เพื่อระงับความสงสัยความปริวิต ก, กความคิดไปเรื่อยของเทวดาหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปยืนอยู่ณนะทิศส่วนอุดร อ, อิงทิศประจีนก็แปลว่าทิศอีสานจากโพธิ์บัลลังก์ตะวันออกเฉียงเหนือนะมันเวลาเราเข้าไปจะอยู่ขวามือ น, นิดหนึ่งนะจากโพธิบัลลังก์นั้นพระองค์ก็ยืนคิดดำดิบว่าเราเนี่ยนะแทงตลอดพระสัพพัญญุตยานณนะบลังก์นี้หนอ พระองค์ก็ทรงสำรวจดูบาลังและโผลพลึกอันเป็นสถานที่ทรงบรร ล, ลุผลแห่งพระบารมีทั้งหลายที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กระพริบยับยั้งอยู่ตรงนั้นเจวันสถานที่ตรงนั้นก็ชื่อว่าอ น, นิมิตสเจดีนะก็ประทับยืนดําลึกถึงคุณของสถานที่ตรงนั้นว่าสถานที่ตรงนี้ทําให้เราสมความปรารถนาเนาะ เนี่ยนะคือถ้าไม่มีสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะสิ่งที่เรากระทำมาตลอดระยะเวลาสีอสงไขแสนกับจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้หรือกระลึกถึงคุณปรารถเห็นด้วยแล้วก็ระลึกถึงพระปุพผาจรยาคุณของพระองค์ด้วยปรารถถึงพระพุทธคุณด้วยไม่ใช่ว่ามองดูแล้วก็ทำตาใสแปว๊วแบบรูปถ่ายนะไม่ใช่ท่านโง่แบบนั้นหรอกนะท่านคิดมากนะภายใน7วันเนี่ยท่านใครควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบข้อ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 แต่ถ้าถ้าเดินเนี่ยนะถ้าถ้าเดินกลับไปกลับมาพื้นที่สักแค่สามสี่เมตรเนี่ยเมาหัวตายเหมือนกันเมาหัวภาษาเหนือถ้าภาคเรา ก, าก็กวิ่งเราเวียนศีรษะตายเลยเพรือนกันนะหน้าทิมหน้าคว่ำแน่เหมือ น, นั้นแต่นี่เดินไกลนะเดินเป็นร้อเมตรกลับไปกลับมากลับมากลับไปก็ลปลเลยไม่เวียนศีรษะเหมาอนกันป๋ก็เดินกลับไปอยู่นั่นแหละสถานที่ตรงนั้นถามว่าเดินอะไรก็เดินพิจารณาธรรมะนั่นแหละเจวันนี่ยนะ เดินพิจารณาธรรมทั้งหลายอีก7วันทีนี้สัปดาห์ที่4เทวดาทั้งหลายก็เนรมิต ร, รัตนคระคือเรือนแก้วณนะทิพายับแห่งโพพฤกทิพายับก็คือตะวันตกเฉียงเหนือนะอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือนะก็คือถทิศตะวันตกก็จะเป็นตรงบริเวณของที่เราไปฟังธรรมกันนะที่เราไปสวดมนต์ที่ตรงเจดีของพุทธโคสาจารย์ก็หันไปทางถ้าเรานั่งหันไปหาต้นโพก็อยู่ซ้ายมือ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 พระองค์ตอนที่พิจารณาสมันตะปัฏฐานหรือพิจารณาปัจใจัยนะหลังจากที่พระองค์ยับยั้งอยู่4ี่สัปดาห์ใกล้ต้นโพรพฤกอย่างนี้แล้วสัปดาห์ที่หก็เสด็จจากโคนต้นโพพฤกไปยังต้นอชาปาละนิโครธนะต้นต้นต้นทสที่พวกเด็กเลี้ยงแพะไปพักกันเนี่ยนะหรือคนเลี้ยงแพะไปพักกันพระองค์ก็ประทับนั่งเลือกเฟ้นรรมเววิมุติสุขอยู่ณนะต้นอชปาปาระนิโครธนั้น หลังจากนั้นหลังจากที่พระศาสดายับยั้งอยู่ณนะโคนต้นอชาปาลนิโครดนั้น7วันแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังโคนต้นมุดเจลินต้นมุดเจลินหรือเรียกว่าต้นจิกนะนะที่นั้นพญานาคชื่อว่ามุดเจลินก็เอาขนดเจชั้นวงไว้รอบเพื่อป้องกันความหนาวเป็นต้นเมื่อเกิดฝนตกพรม7็วันอันนี้เป็นธรรมดาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 แปลว่าไม่ระหว่างนี้ไม่มีการอุจาระปัสสาวะใดๆทั้งนั้นไม่มีการอาบน้ําการส่งน้ําการทําอะไรอย่างอืง่นไม่มีไม่มีการเสวยพระกิอาหารทรงยับยั้งอยู่ด้วยสุขในพระสมาบัติอย่างเดียวนนเข้าจตุทัชานอรหัตผลสมาบัติซะโดยมากครั้งนั้นพระศาสดาทรงชมระพระโอษ ด, ด้วยไม้ชมระฝันที่ชื่อว่านาคารดาใครเอามาถวายบอกเทา้าส ก, ก่าน้อมเอามาถวาย แล้วก็ไปส่งน้ำที่สระน้ำอนุดาษเสร็จแล้วในวันที่วันที่49วันสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าถวายสมอด้วยนะถวายผลสมอให้พระองค์ขับถ่ายด้วยอะไรด้วยพระองค์ก็และพระองค์ก็ประทับนั่งอยู่ณนะต้นราชายาตนะินั่นลันแลสมัยนั้นทานชิ์คือพ่อค้าสองคนชื่อว่าตะปุ ษ, ษะและพลิกะอันเทวดาผู้เป็นญาติสาโลเหิตให้ขมักขะม่น ในอันถวายอาหารแด่พระศาสดาก็ถือข้าวสัตวุผงและข้าวสัตต์ก้อนเข้าไปเฝ้าพระศาสดายืนกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความกรุณาโปรดทรงรับอาหารนี้ด้วยเพราะเหตุที่บาต ท, ที่เทวดาทั้งหลายถวายครั้งที่รับข้าวมาทุบายญาตอันตรทานไปบาต ท, ที่ที่คติการะพรมถวายเนี่ยนะตอนที่ฉันข้ามาทุปายญาติบาตเหล่านั้นหายไปเลย แต่แล้วก็พระองค์ก็ดําติว่าตถาคตทั้งหลายเนี่ยไม่รับอาหารด้วยมือเปล่าเราจะเพ่งรับอาหารนี้ได้อย่างไรท้ามหาราชก็มาจาก4ทิศทั้ง4องค์มาจาก4ี่ทิศรู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าก็น้อมบาตรนะสี่บาตรสาเร็จด้วยแก้วมณีและแก้วมรกตเอามาถวายพระองค์ก็ไม่รับบาตรที่ทํามาจากแก้วมณีหรือแก้วมรกตในที่สุดท้าจะตรงมหาราชก็น้อมเอาบาตร สำเร็จด้วยศิลาบาดหินเนี่ยนะเอาบาดหินมาถวายสีเหมือนสีถั่วเขียวพระองค์ก็อาศัยความกรุณาในเทวดาสี่องค์นั้นก็รับแล้วก็ยุบรวมเป็นบาดเดียวกันก็เรียกว่ายุบอธิษฐานบาดเนี่ยนะอธิษฐานบาด ท, ทั้งสี่ใบให้เป็นใบเดียวบาดหินไม่ทราบว่าสีใบจะหนักหรือเปล่าไม่ทราบนะปกติแล้วบาดหินไม่ใช่เบานะ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 คล้ายๆกับว่าขออะไรนะขอของที่ระลึกจากพระพุทธเจ้าด้วยนะที่ระลึกเป็นที่กราบไหว้บูชาพระองค์ก็เลยประมือูลพระเศียนพระเกศาก็ติดมาแปดแปดเส้นก็เลยพระพุทธประทานให้ไปเขาก็ดีใจมากก็มาสร้างเอาไว้ก็เชื่อกันว่าพ่อค้าสองท่านนี่คือตปุษกาภริกะณนี่เป็นชาวมอนอนะเป็นชาวมอนก็เลยเอามาสร้างไว้ที่ ที่เนี่ยเจดีชเวดากองชเวดากองนั้นตอนแรกเริ่มเลยนั้นไม่ใช่ของชนพม่าแต่เป็นของชาวมอนตอนหลังพม่ายึดมอนเข้าก็กลายเป็นของพม่าไปเนี่ยนะเป็นของชาวมอนมันก็เลยเรียกว่าเต่เป็นที่มาของเจดีชเวดากองนั่นเองเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นว่าตปุษสะพณิการนั้นเป็นพ่อค้าชาวมอนที่ไปค้าขายทางนู้นทางราชพฤกทางนูงน่นถามว่าเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าทาง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 ที่ต้นมุจจรินสัปดาห์ที่7ราชายาตนะสัปดาห์ที่8ก็กลับมาที่ต้นอาชะปาลนิโคโรดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็นั่งพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะอริยมรรคอริยผลกับพระนิพพานที่พระองค์บรรลุนั้นนะมรรคนิพพานนั้นลุ่มลึกพระองค์ก็เกิดว่าเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องพิจารณาเช่นนี้เนี่ยนะก็พระองค์ก็ถึง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 ถาเราแสดงไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องก็เหนื่อยเราเปล่าว่า ง, งั้นเป็นความลําบากของเราเปล่าครั้งนั้นเท้าสัมบดีพรหมก็ดาเนินกันว่าโลกนี้ย่อยยับกันละท่านเอ้ยว่างั้นนะโลกนี้พินาฏแน่นอนโลกย่อยยับกันละท่านเอ้ยเสร็จแล้วก็ไปชวนเท้าสักกะท้าสุยามเท้าวสันดุสิตเท้านิ ม, มานารดีเท้าปารนิมิตตะวัสวดีชวนพรหมอีกในหมื่นจักรวาลมายังสำนักของพระาศาสดาทูลอ้อนบอนให้พระองค์แสดงธรรมเป็นต้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงสแสดงธรรมซึ่งพระองค์ก็ อ, อาศัยความการุณาเป็นต้องก็พิจารณาตรวจตราดูสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่พอบัรลุในที่สุดพระองค์ก็เห็นว่าผู้ที่ตรัสรู้ตามนั้นมีอยู่พระองค์ก็เลยประทานปฏิญญาก็คือรับคำแก่เท้าสามบดีพรมนั้นแล้ว